อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งระบบเอ็นออมนะคะพร้อมกันทั่วประเทศก็ได้เวลาที่จะนํารายการธรรมารบาบรุนกลับมาพบ ก, กับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะทุกๆเช้านะคะเราจะพบกันในรายการธรรมารบาบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเริ่มตั้งแต่เวลาตีห้าถึงตีห้าคร่งของทุกวันค่ะ เราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้า ว, วันอาทิตย์ที่17เมษายนเป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน5ปีเถาะนะคะเป็นวันสุดท้ายของช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองที่เราได้หยุดยาวเลยนะคะเทศกาลสงการานค่ะ เมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะคะคือเช้าวันเสาร์นี้ดิฉันได้กราบนินมนุ์พระอาจารย์เทวุลภิพุโนศิษยเอของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอวาสวั ด, ดป่าดอนไหายโศกตมบุรดอนหายโศ ก, กอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้มาสาธกษาหรือสนทนาธรรมในหัวข้อประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายแล้วก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นสติที่จะให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้าน กัเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะท้ายรายการของเชา้าเมื่อวานนี้เนี่ยอาพระอาจารย์ไพบุลรอภิพุโนโบอกว่ามีประเด็นที่จะพูดคุยเพิ่มเติมจากการคุยหรือว่าสนทนาเมื่อวานนี้นะคะดังนั้นในเช้าวันนี้รายการธรรมราบุรุนก็จะมาฟังพระอาจารย์ไพบุลรอภิพุโนโท่านได้เมตตาพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องที่องค์พระธรมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ เกี่ยวกับเรื่องของความตายแล้วก็การตั้งอยู่ในสิลธรรมอีกนิดนึงแล้วจากนั้นก็จะเป็นการตอบปัญหาที่ทางคุณบุพเพศได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนนะคะขออนุญาท่านผูฟังทางบ้านมากราบน้ัสการพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนพร้อมกันนะคะกราบน้ัสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเจ้า่ะ ลำดับแรกพระอาจารย์เสริมที่คุยกันเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นิดหนึ่งนะเจ้าค่ะก็จะเป็นเรื่องเดียวกันกับคําถามของคุณบุพเวศนะคับเจ้คะเรื่องที่เกี่ยวกับอความศรัทธาอย่างมั่นคงไม่วันไหวในพระพุทธปรรมพระสงค์คือพระราตนาไตรเจ้าค่ะอันนี้ต้องเท้าความสิ่งที่เป็นพุทธวจนะสักนิดหนึ่งว่ามีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้พูดลอยๆขึ้นมาคือเป็นคถาที่ที่บ่นขึ้นมาเองบางทีนะพระพุทธเจ้าเนี่ย นั่งสมาธิอยู่องค์เดียวนิ่งๆสบายๆนะสังเกตลมหายใจอยู่เนี่ยคือพระเจ้าของเราเนี่ยมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เครื่องอยู่เนี่ยหมายถึงว่าอาว่างๆอะไรก็มาอยู่ตรงนี้ว่าง ๆ, ๆอะไรก็มาอยู่ตรงนี้คือดึง จ, จิตมาอยู่ที่<ช>สมาธินะสะคิคะเด็กสมัยนี้นบางคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องอยู่เด็กๆก็เปที่โทรศัพท์มือถือนะบางคนมีอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องอยู่เดได้ก็ไปดูอินเทอร์เน็ตนะโดยเฉพาะอยิ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเว็บไซต์อะไรเฟซบุ๊กนะก็ไปเฟซบุ๊กอยู่ตลอดเวลา บางคนก็จะมีอสถานที Means, ่ท so? oh ี okay, so ่หนึ er> okay. BRE, ่งเช่นร้านกาแฟไปอยู่ที่นั่นตลอดเพราะบ้านก็จบางคนนี้คือเครื่องอยู่ของเขาพระพุทธเจ้ามีอะไรเป็นเครื่องอยู่ตลอดปรญหาการก็มีลมหายใจแล้วบางทีพระเจ้าเนี่ยนั่งอยู่องค์เดียวใช่ไหมสังเกตลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่เนี่ยก็พูดขึ้นมาองค์เดียว เป็น อ, อุท า, <ร>านขึ้นมาอุทานขึ้นมาตรงนี้เป็นคถาบ้างเป็นอุทานบ้างบางทีก็พูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนะียเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายคะอเพราะมีการเกิดจึงมีความแก่ความตายความโศกความร่ำรำลมพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับเคลืนใจทั้งหลายอย่างนี้ก็มีนะซึ่งนี<ม>้คาถาที่จะพูดต่อวันี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะปุริชาบอกว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกความกลัวคุกคามเอาแล้ว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 ว่าเอ๊ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยหมายความว่าไงเ อ, อต้องเท้าความไม่เข้าใจนะเราก็จะดึงไปที่ประเด็นคําถามจา ก, กุณบุพเวด้วยว่าคนบางคนเนี่ยมีอ่า พ, พุทธเาสอนอย่างนี้นะสอนบอกว่าคนไหนนะที่เชื่อว่ากรรมหรือว่าสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตฉันเนี่ยคนอื่นบันดาลให้่คะมีคนเชื่อยอย่างนี้นะนี่เจ้าค่ะแต่ผิด อ, อืมเป็ น, นมิจฉาทิฏฐิอืม่ะบางคนเชื่อว่า กรรมที่เกิดขึ้นกับฉันหรือสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันนี่ฉันทําเองแต่ผิดอืมิชาทิฏฐิบางคนบอกว่าอสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นกับฉันนี่ทั้งผู้อื่นทําให้ทั้งตัวเองทําเองอันนี้ก็ผิดอืมิชาทิฏฐิบางคนบอกว่ากรรมที่เกิดขึ้นกับฉันหรือสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นกับฉันนี่เอเกิดขึ้นหลอยลอยไม่มีอะไรยืนมันก็เกิดมา คอ่าที่ฉันมาทํางานที่นี่ที่ฉันได้เงินเดือนเท่านี้ที่ฉันมีเหตุบางเป็นคนเนี่อมีนักธุรกิจญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาเจอซีนามิที่บ้านเขาใช่ไหมกลับมาเมืองไทยมีโรงงานยางอยู่ที่สุราธานีลงทุนไปเป็นพันล้านดนรอบสองน้ำท่วมอีกถ้าเรามีความคิดว่าอันนี้อยู่ๆก็เกิดขึ้นเองอันนี้ก็ผิดเป็นความคิดที่ผิดอืมะคือกรรมที่เกิดขึ้นกับเราสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรา นะสี่อย่างนะถ้าเกิดถ้าคิดว่าคนอื่นบรรดาให้เราทําเองหรือว่าทั้งคนอื่นทําให้เราทําเองหรือว่าอยู่มันก็เกิดขึ้นเ อ, เองเนี่ยเป็นความคิดที่ผิด okay. อืมเจ้าค่ะไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิทิฏฐิพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเจค่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าคนเนี่ยคืออริยะสาวกคือคนที่นับถือพุทธนะอหมายถึงว่าคุณอนับถือพระพุทธเจ้าอ่ะนับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์อ่ะคุณต้องรู้ข้อมูล น, นี้ ว่ากรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไม่มีเหตุมันไม่เกิดนะเหตุของกรรมเนี่ยก็คือภาษาการกระทบมันมีภาษาจึงมีการกระทํากรรมขึ้นมาเรื่องนี้ที่ต้องอธิบายเพราะว่าคนที่ไปเที่ยวบนบาลสารกล่าวบอกว่าอขอให้ฉันสอบผ่านหรือขอให้ฉันเริ่มตําแหน่งขอเอาน ะ, ะขอเอานะคุณจิงใจนี่หรือเปล่าป้ไปจุดทูปเก้า ด, ดอกแล้วก็เอาผ้าไปพันรอบโพธรุป แล้วขอว่าให้ฉันได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ <Okay. S 1> อันเนี้ไม่ถูกต้องร้อเอร์เซ็นตตามที่พระุทธเจ้าสอนองนั้นทำไมพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพไม่ขออ้าวขอให้ฉันเป็นสัมมาสมัมพุทธเจ้า <Okay. S 1> ไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้บอกว่าอ่าระลึกถึงอยู่ได้ทำสองอย่างตอนอยู่ใต้ต้นไม้โพ <Okay. S 1> นะนั่งสมาธิลืนตาอยู่ลืนตานิดๆ น, นะะ <Okay. S 1> แล้วก็คิดว่าเออเราเป็นผู้ที่ไม่รู้จักยิงจักพรในกุศลทั้งหลายและเป็นผู้ที่ไม่ถอยกลับในการทําความเพียร เราจะตั้งความเพียรด้วยการอธิษฐานจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดเป็นสีละจะเหงือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์อันใดอันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยการกระทำด้วยความเพียรด้วยความบังบันของบุรุษเนี่ยถ้ายังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียร น, นี้เสียเป็นไม่มีเลยพระพุทธเจ้าเองยังต้องใช้ความเพียรในการที่ตัวเองเป็นสัมมาสมัมพุทธะ เจ้าค่ะแต่เมื่อนั้นทำไมพระองค์ไม่ขออะไรว่าขออาพรมช่วยบรรดาให้ฉันเป็นสมาสมุทาหน่อยเจ้าค่ะเป็าะั้นพระองค์จะไม่มีความเหนือเหนือจากพร้อมไปได้เอาอย่ง่ายๆโซดาบัล น, นะที่ถึงซึ่งความาละสังโยชน์คือเครื่อไร้รัศมสามอย่างได้นะเป็นผู้ทิยงแทนต่อพระนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้ายังประเสริฐ ก, กว่าพร้อมและเพราะ่พร้อมเนี่ยเขายังไม่รู้วิธีในการที่จะหลุดออกจากสังสารวัตนี้ได้เจ้าค่ะแต่ถ้าเรียนสาวกเนี่ยยัางน้อยๆเบื้องต้นที่สุด นะเป็นโสดาบันเนี่ยคุณก็ยังเป็นเสด็จกว่าพวกนี้ออื mm hmm, okay. เพราะฉะนั้นคุณจะมาเป็นโสดาบันได้ไม่ได้ขอเอาต้องทําอย่างบุรุษชาคืออธิษฐานอธิษฐานจิตใช่ตั้งจิตนะอธิษฐานจิตเนี่ย อ, อธิษฐ า, านเนี่ยแปลว่าความตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง <Okay. S 2> เหมือนอย่างบุรุษชาอธิษฐานใต้ต้นโรมาโพว่ว่าฉันจะไม่หยุดความเพียร น, นี้ถ้ายังไม่ได้เป็นสัมมากับพุทธเจ้า <Okay. S 2> ถามกูบ า, า, บารอาจารย์บารันองค์ไหนที่ฉันสําเร็จเป็นบารันเนี่ยฉานไม่ได้ขอเอานะ ท่านนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วท่านก็ตั้งจิตมากถ้าฉันไม่ได้เป็นพระานิฉันจะไม่หยุดความเพียรนี้เจ้าค่ะด้วยลักษณะนี้เหมือนกันเครื่องอยู่ของพระอริยชจ้าทั้งหลายก็มีหนึ่งในนั้นก็คือความเพียรนันะ้นในการที่เราจะตั้งจิตอธิษฐานเจ้าค่ะเพราะงูงุ่งเป็นคนพุทธนะ่ะในทะเบียนบ้านก็ใส่ว่าพุทธมีศีลก็ดีมากแล้วนะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมาอาธิษฐานอย่าขอ ขอแบบว่าขอให้สอบผ่านขอให้เรื่อนตำแหน่งขอให้มีเงินเยอะขอให้ถูกหวยมิแตขอขอข อ, ขอมันได้ยากให้อธิษฐานเอาด้วยการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งสร้างเหตุอธิษฐานเนี่ยต่างจากการขอมางคนอาจจะพูดมาสักนิดหนึ่งอยากจะยังไม่เข้าใจใ ค, คือการสร้างเหตุที่ถูกต้อง่อาสร้างยังไงเจ้าค่ะก็คืออย่างพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าคนเนี่ยกลัวใช่ไหมเห็นอุ่จจกรภัยเห็นอ่าก็เรียกว<ช>่า ัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยเราก็เกิดความกลัวเอาละว่าฉันจะพึ่งเป้ไหมายตนนี้อเอาผ้ามาพันและขอให้ลูกปลอดภัย<ช> <ๆ S 2> เมื่อเวลาภัยมาใช่ะใช น, น, นะบางคนบอกฉันไปซื้อที่มูกเขาทำเลนี้หวงจุวยดีสุดๆะนะเพราะ้นแน่นอนอย่างนี้ก็คนกลัวเนี่ยมันก็ไปหลายทุกได้ทุกสิ่งทุกอย่างใ ช, ใช่ไหมแต่พรชชจ้าบอกว่าถ้าพวกนั้นแะเป็นที่พึ่งได้พอพอประมาณพอไปได้ แต่ไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดจก้าที่พึ่งอันสูงสุดเนี่ยก็คือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจสี่ฟังให้ดีนะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจสี่ไม่ใช่ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะสมมุติคุณจุดธูปต่อหน้าพระพุทธรูปหรึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็นึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วขอเอาอันนี้ไม่ถูกนะต้องให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วเห็นอเน ส, สสีด้วยปัญญาอ่นชอบตามที่เป็นจริงทาไมถึงดีกว่าคุณเตือนใจเพราะว่าถ้าเราสามารถจํากัดจํานวนชาติในการเกิดได้อย่างยดตัวอย่างเช่นโซดาบันจำนวนชาติในการเกิดเนี่ยเหลือแค่เจ็ดชาติมากที่สุดเจ้าค่ะโซดาบันเนี่ยและเจ็ดชาติที่มาเกิดเนี่ยจะไม่ไปนรกกระหมือเดรพพัจฉานเปรยวิสัย นะเขาจะมาประสบอุทกกับภยัยภัยธรรมชาติต่างๆอย่างนี้อย่างมากที่สุดเจ็ดชาติแล้วจบวะจะไม่มาเจอสิ่งเหล่านี้อีกก็คือสิ่งมีพานเลยนะถูกต้องแต่คนที่ยังเป็นปุถุชนยังไม่ได้เป็นโซนบัณเนี่ยเขาจะต้องมาเจอภัยธรรมชาตินี้นับพบนับชาติไม่ถทวนคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณเกิดชาติใหม่อีกเนี่ยสมมุติว่าทําความดีมาพอสมควรและเกิดเป็นคนก็ ย, ยังต้องมาเจอสิ่งนี้อีกนะเออดีขึ้นไปอีกคุณเกิดเป็นเทวดาก็ยังไม่รับผลจากการตาย ไม่รู้ว่าชาติต่อไปคุณจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือนรกอยู่ในสัตว์นรกหรือเปล่ามันไม่แน่ใน <า S 1> รรบริจาเปรียบเทียบเหมือนกับโยนไม้ขึ้นไปเนี่ยมันตกลงมานี่เราไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่ามันจะเอาด้านหัวหรือด้านหางหรือเอาตรงกลางตกลงมาหรือมันจะไม่ตกมาเลยเจค่ะหรือมันจะตกลงมาเป็นอีกแบบหนึ่งโอ้มันมันพยากรณ์ไม่ได้ได้ยากมากเจค่ะเหมือนการคนที่ยังต้องต้องเที่ยวไปในสังสารวัตรเนี่ยก็จะต้องเจอพวกเนี้ย นับพบนับทราบไม่ตัวนพระเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างนี้คุณเตือนใจว่าสังสารวัตเนี่ยมันมีที่สุดเบื้องต้นเบื้อ ง, งปลายไม่จําไม่ไม่สามารถไปตามอยู่รู้ได้นะะสมมุติว่าเราบอกว่าแม่เราใช่ไหมเอาแผ่นดินนี้เอาพื้นแผ่นดินเนี่ยมาปั้นเป็นก้อนก้อนละเท่าเม็ดกระเบลเม็ดกระเบลนี่ก็ก้อนเท่าประมาณปลายก้อยเม็ดในในเมล็ดของมันนะนะสมมุติว่านี่เป็นแม่เราแล้วก็ปั้นไอีกก้อนหนึ่งอันนี้เป็นแม่ของแม่เรา ป้านไปอก้อนหนึ่งเป็นแม่ของแม่เร า, าป้านไม่ก้อนเป็นแม่ของแม่ของแม่ของแม่เราป้านไปเถอะจนกระทั่งพื้นแบบนี้นี้หมดแม่ของแม่ของแม่ของแม่ของแม่เนี่ยยังไม่หมดเลยอืมมันยาวนานมากสังสารบัตรแล้วพระเจ้าจึงสรุปว่าเพียงเท่าเ น, นี้ยก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสงนงังขารทุกวงพอแล้วเพื่อจะไกลกำนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นเอาตัดหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้มาทั้งหมดมาทําเป็นมัดละสีนิ้ว วางไว้บอกนี่เป็นพ่อทํามาอีกมัดหนึ่งบอกนี่เป็นพ่อของพ่อนะทามาอีกมัดหนึ่งบอกนี่เป็นพ่อของพ่อของพ่อตัดมาจนป่าหมดโลกพ่อของพ่อของพ่อของพ่อของพ่อเนี่ยยังไม่หมดยังมีไปอีกแล้วถามว่าอันนี้ที่ผ่านมาแล้วนะแล้วไอ้ที่เราจะต้องไปเจออีกเนี่ยก็นับไม่ถ้วนเลยเป็นพระเจ้าจึงเปรียบเทียบว่าความทุกข์ของโซดาบันเนี่ย ตนนันพระพุทธาเดินไปตามดินในฤดูหนาวนะมันดินก็จะแห้งๆก็เอานิ้วเนี่ยไปเกี่ย ด, ดินขึ้นมาพรพุทเจ้านี้วเล็บก็ไม่ได้ยาบเล็บสั้นๆน ะ, ะไปเกี่ย ด, ดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีเศษดินเนี่ยเศษผงเนี่ยติดปลายเล็บมันหน่อยหนึ่งค่ะพระเจ้าบอกว่าอ่ะให้เธอลองเปรียบเทียบดูดินที่ติดปลายเล็บเราเนี่ยกับดินทั่วพื้นปสัสีอันไหนมากกว่ากัน ปิจิตทั้งหลายก็บอกว่าโอ้โหดินที่ผืนมัตเพีนี้มันมากกว่ามากขนาดที่ว่าไม่ต้องเปรียบเทียบเลยหาที่เปรียบเทียบไม่ได้คผู้รู้จักบอกเหมือนกันความทุกข์ของโสดาบันเนี่ยส่วนที่สิ้นไปแล้วเนี่ยนะเท่ากับผื้นบัตเตอร์พีที่ยังเหลืออยู่นิดเดียวออืเพราะว่าต้องเกิดอีกจชาติมันก็ยังมีความทุกข์อยู่บ้างะเลืออยู่นิดเดียวนั่นเองก็จะหมดทุกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาพระพุทธธรรมมาส่งเป็นที่พึ่ง แล้วก็เห็นอเนสสีด้วยปัญญาเห็นะอเนสสีด้วยปัญญาเนี่ยขั้นต่าที่สุดคือคุณเป็นโสดาบันคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงได้ใช่ค่ะอ่านี่คือประเด็นที่พระเจ้าต้องการสื่อสารถ้าคุณพึ่งต้นไม้ก็ยังคือคนต้องเข้าใจพระเจ้าเคยแบ่งเป็นสามอย่างคนที่ไม่มีที่พึ่งเลยอันนี้แย่มากนะไม่มีที่พึ่งไม่มีผีเป็นที่พึ่งไม่มีต้นไม้เป็นที่พึ่งไม่มีภูเขาเป็นที่พึ่งไม่มี ศาสนาอะไรเป็นที่พึ่งเลยเนี่ยสิเขาจะโน้มไปเอียงไปในทางอกุศลใค่ะแย่มากคือโน้มไปในทางต่ํานะใช่แต่คนที่มีที่พึ่งแต่ยังไม่ถูกนะที่พึ่งอื่นๆเนี่ะที่ไม่ใช่พระพุทธธรรมพระสงฆ์อ่ะที่ยังผิดแต่ก็ยังดีกว่าก็ยังดีกว่าค่ะอย่างน้อยสิทธิ์เขายังโน้มไปในทางกุศลค่ะแล้วที่ดีที่สุดเนี่ยคือมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจทั้งสีด้วยปัญญาอันนี้ดีที่สุดใช่ไหอซึ่งก็ต้องก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่า าการบูชาอะไรต่างๆเนี่ยพระเจ้าก็ยอมรับว่ามันมีผลเจ้าค่ะเราไม่ใช่บูชาเป็นศัพท์แต่ว่าบูชาคือเรากลับบ้านเราก็ยังยกมือไหว้มาดาบิดาเราอยู่ชยใช่ไหมช่วงสงการานต์ที่ผ่านมาเราก็ยังไปกราบอพวกกดน้ํามดำหัวชาวพราณ์นะเจ้าค่ะบุคคลต่างๆเราหรือว่าเรามาที่ทํางานเนี่ยหัวหน้าเรามีคุณธรรมอะไรดีๆเราก็ยังยกมือไหว้ท่านอยู่เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถามว่าคุณบูชาท่านเพราะอะไรอคุณบูชาเขาเพราะอะไร เพราะเขาเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนดีนะถูกต้องอย่างที่เราเคยได้คุยกันไป <c oughs> คุณต้องมีเหตุนในการบูชาคุณบูชา <c oughs> เขาเรียกว่าอนะไรศาลพระภูมิที่บ้าน <c oughs> คุณบูชาพระอะไรถ้า <c oughs> ขอเนี่ยนะมันก็ผิดหลักค่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราก็จะมีทิฏฐิว่าเราไปเชื่อว่ากรรมหรือทุกข์สุขเนี่ยผู้อื่นบันดัยให <c oughs> ้แต่เพราะว่ากรรมหรือสุขทุกขเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วมันดับไปได้น <c oughs> ะแล้วปฏิปทาวิธีการในการที่จะทําให้สิ้นกรรมเนีย ให้ลบล้างกรรมเนี่ยมีวิธีแก้กรรมหลไรต่างๆอย่างนี้นะบางคนบอกว่าต้องไปเอาผ้าขาวมาคลุมนอนในโรงหรือว่าลดน้ําทําให้ตัวเปียกในสมัยก่อนพวกพรามณ์นี่เขาก็จะไปลงในแช่น้ำนะหรือว่าขุดดินเป็นกองๆบูชาดินอย่างเงี้ยหรือจุดไฟเนี่ยนี่เป็นวิธีแก้กรรมซึ่งไม่ใช่อันนี้เป็นเพียงวิธีแก้กรรมโดยใช้กายทําำวิธีแก้กรรมของพาะเเนี่ยมีตั้งแต่ใช้กายวาจาใจคือพูดถึงมักมีองแตก อย่างพระรามสมัยก่อนเนี่ยเขากำลังทําพิธีอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยพิธีแก้กรรมของเขาเนี่ยนะเขาบอกว่ารัศมีนโคโดมมีพิธีแก้กรรมไหมบุตรเจ้าเขบอกมีก็เล่าเรื่องมรรคมีองแปดให้ฟัง <autoc> เขาเขายังมายกย่องบุตรเจ้าบอกโอ้มรรคแปดของพระพุทธเจ้านี่ละเอียดจริงๆเละเอียดกว่าของเขาอีกเพราะของเขานี่พูดถึงแค่เรื่องสิ่งของต้องมีทูปสีนี้ต้องผ้าสีนี้ต้องใช้อุ ป, ปกรณ์อย่างนี้ใช่ไหมแต่ของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมีทั้งกายวาจาใจใช่ <trailer S 1> ไหะ ก็คือสีสมาธิปัญญานะสีนี่ก็เป็นเรื่องของกายอากายกับวาจาใจนี่ก็คือสมาธิกับปัญญาจุคะแล้วละเอียดขึ้นไปอีกละเอียดกว่า อ, กอีกจุคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนพูดแต่มาคุณนับถือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ให้ทําอย่างที่พระเจ้าสอนอ่าก็ให้ทราบเรื่องอ่าการขอกับการอธิษฐานในลักษณะ น, นี้จุคะเราทําความดีเรามีศีนเนี่ย คนที่เป็นโซดาบันเนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องนี้เขาจะไม่เชื่อเรื่องมงคลตื่นข่าวคือเขาว่าอันนี้ดีกว่าไปแห่ไปนะอสมัยก่อนก็มีการบูชาราหูใช่ไหมแต่ดี้มาจากทุคามต่อไปไม่รู้จะเป็นอะไรก็แห่กันไปใช่ไหมแต่คนที่เป็นโซดาบันเนี่ยจะเชื่อเรื่องกรรมแต่ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวหมายความว่ามีอะไรก็แห่กันไปประเภทนั้นแต่ระบบของกรรมมีอยู่แล้วเราสร้างเหตุที่ถูกต้องนั่นแหละ ถึงจะเป็นเขาเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาแก้วอุบาสกอุบาสิกาอผู้ประเสริฐครูชาพูดอย่างนี้อซืซึ่งซึ่งออันนี้บางส่วนก็จะตอบ ค, คํ า, า, าคถามของคุณบุพเวรไปด้วยแล้วค่ะอือาค่ะยงขออนุญาตพระอาจารย์ที่จะอ่านคําถามของคุณบุพเวรนะเจ้าค่ะก็เขียนมาบอกว่าเออ่ถ้าเราเคารพ ศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยอย่างสูงสุดและเพียรตั้งใจที่ปฏิบัติตามหนทางมรรคแปดแม้ว่ายังไม่บริบูรณ์นะคะแต่เรายังกราบเคารพบูชาคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอย่างเช่นพระวิษศณุพระพิเคเนิจ้าแม่กวนอิมถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะถือว่าเราได้อยู่ในโสดาปฏิมรักได้หรือไม่เจ้าคะอันนี้ตอบคาถามนี้ก่อนเจ้าคะ่ะจะขอตอบคาถามนี้ก่อนก็ใครที่ นับถือพระพุทธปรรมพระสงค์คือพระราชนาตรัยเนี่ยแล้วต้องการจะรู้อริยสัจ ส, สอันนี้ถูกต้องนะปฏิบัติอยู่ตาม ม, ามัคคิโมงคปดสัมมาทิฏฐิข้อหนึ่งะพระพุทธเจ้าบอกว่าชื่อว่าการบูชามีผลยันที่บูชาแล้วมีผลก็คือการบูชาที่เหมาะสมเนี่ยมีผลบูชาบุคคลที่ควรบูชานีก็เป็นหนึ่งในมงคล3ามสบประการเพราะต้องถามคุณบุคภเวทว่าคุณบูชาเจ้าแม่กนอิมบูชาพระวิษณุเนี่ยพระวิะเครนบูชาทําไม คุบูชาหวังหลุดพ้นหรือเปล่าถ้าบูชาหวังหลุดพ้นนั่นเป็นวัตกโกตูหิระมงคลคืออะไรเจ้าคะวัตกโกตูหิระมงคลก็คือว่าการเชื่อมงคลที่ไม่ถูกต้องมงคลเตื่นข่าว อ, อ, อ่าก็คือการทําศีลและวัดที่ยังผิดอยู่เจ้าคะแต่ถ้าเราบูชาอย่างเช่นอบุคคลนี้มีความเมตตาเราบูชาคุณของท่านนันนายบิดาเป็นผู้ที่อุปการะเราก่อนเราบูชาทา่านอันนี้ถูกต้องนะถ้าหวังหลุดพ้นต้องพึ่งพระพุทธประรมประสงค์เท่านั้นเอง พูดพูดเป็นกร้งอยางนเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้ข้อสองที่คุณบุพเวเศถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าความละเอียดของสีนของโสดาบานนั้นเราวัดที่ระดับไหนเจ้าค่ะเพราะอย่างเช่นสีนข้อไม่พูดปดข้อไม่เบียดเบียนสัตว์ ซึ่งถ้าในบางครั้งเราเกิดเผลอคิดไม่พอใจอ่าพูดถึงผู้ใดนะครับอันนี้หมายถึงทางมโนคือทางใจเราเนี่ยแต่เราไม่ได้พูดออกมาอย่างนี้เนี่ยจะถือว่าเราผิดศีลของโซดาบันหรือไม่ไเ่จ้าคะ่ะอศีลเนี่ยก็คือจะปิดกั้นเรื่องของกายแล้วว่าจ่าเรื่องของความคิดนี้จะยังไม่เป็นเจ้าค่ ะ, ะยังไม่ได้ลงไปถึงระดับนั้นเพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยในสมัยพุทธกาลนะอย่างอนาถาปินฑกาเศรษฐีเนี่ยรู้เช่าพยากรณ์เลยว่า เป็นโซนบัณฑ์ยังโกรธก็มีจากโกรธลูกน้องก็มีนะอมาวิสาขาบางครั้งก็ร้องไห้ก็มีนะลูกตัวเองตายอนนะไระ ก, ก็ก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตใจเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปนั่นจะเป็นระดับของพระอนาคามีพระอรรณ์แต่โซนบัณที่พูดถึงเรื่องมีศี่ห้าสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยจะพบร่องกายของวาจาแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของใจอย่างเงี้ยถ้าเราคิดเคิดแค้นกับเขาแต่ยังไม่ได้พูดนะ อาจจะคิ้วก็หมดนิดหนึง่งอ่าก็กหลุดออกจากมัคเพรา ะ, ะมัคอารยมัคเปองแปดเนี่ยข้อหนึ่งคือสัมมาสังกัปปะคือไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นไม่คิดพยาบาทคนอื่นใช่ไหมถ้าเราเผลอไปคิดนิดนึงคุณออกนอกมาทันทีเข้าใจไหก็นิดนึงในช่วงนั้นแต่เพื่อนเราชั่วคุณจะต้องมีกําลังในการที่จะให้เราอยู่ในมัคตลอดเวลาคือดึงจิตกลับมาใช่ไหมคะใช่าทายังไงก็พระเจ้าสอนอยู่แล้วใช้ลมหายใจนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของจิต ให้ใช้ลมหายใจใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเพื่อให้จิตเนี่ยมีสติพอจิตมีสติแล้วเนี่ยไออย่างอื่นเนี่ยเราไม่เอาเราเอาแต่เรื่องที่เป็นกุศลสิ่งอกุศลอย่ายให้เข้าเหมือนในถาวรประตูให้เข้ากับคนที่รู้จักคนไม่รู้จักไม่ให้เข้าอย่างเงี้นะจุ๊ค่ะทีนี้คุณสมบัติของข้อนหนึ่งของโสรณบันก็คือว่าความที่เชื่อเรื่องกรรมนะมีความตั้งมั่น อย่างมั่นคงในพระพุทธธรรมประสงค์อย่างถ้าเราไปบนบานศาลกล่าวอย่างเงี้ยมีการติดสินบนว่าถ้าลูกสอบผ่านหรือทํำอะไรผ่านเนี่ยจะเอานี้มาแก้บนมันเป็นเรื่องที่ติดสินบนแช่ไหมอย่างอ่าบุคคลที่อย่างเทวดาที่เราไปบนเขาอย่างเงี้ยถ้าเขายัางต้องมารับบนเราอยู่แล้วเขามาหวังอนิจเร็ ก, เ ล, ก, เ, ลกเล็กน้อยจากเราเ <c oughs> นี่ยมันมันมันไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่แต่ว่า <c oughs> เป็นความกลัวของเราเอง <c oughs> ที่เราต้องละให้ได้ที่เราต้องละให้ได้ แล้วบางคนบอกว่าอ้ฉันก็พิ่งพระพุทธประสงค์นี่แหละแต่ขอซะหน่อยนึงข อ, <c oughs> ขอขอแบบขอไปขอจริงจริงเลยนะเราต้องมั่นคงไงตรงเนี้ยคนที่เป็นโสดาบันจะมั่นคงได้จะมีกําลังใจในการที่จะปฏิบัติสร้างเหตุที่ถูกต้องในการที่จ ะ, ะให้เห็นอริยสัจสี่เดินอยู่ตามมรดได้แต่ขอให้มีกําลังใจหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ที่เมื่อผู้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติแล้วจะเห็นได้เอง ญาตานี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะนั่นคืออโสดาบันนะเจ้าค่ะ<ส> ท, ที่เราก็บบอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าอ่าท่านที่เป็นโสดาพระโสดาบันนั้นเนี่ยรู้แน่เลยว่าเกิดอีกแค่เจ็ดชาทเท่านั้นก็เป็นอันถึงนิพพานนะเจ้าค่ะคือ ไ, ไม่มากลับมาเกิดอีกอจากนั้นก็ถึง ส, สกธาคามีใช่ไหมเจ้าค่ะ<อ>หรือหนึ่งใช ค่ะใช่ระดับสอที่คืออริยะบุคคลขั้นที่สองคือเรียกว่าสกทาคามีเจค่ะผู้ที่จะมาเกิดอีกแค่หนึ่งถึงสองชาติหลังจากนั้นก็คืออนาคามีอนาคามีก็คือผู้ที่สามารถอ่าละเครื่องไร้รัดธเบื้องตามอีกห้าอย่างคือเครื่องร้ลัทที่เราให้อยู่ในภพนี้มีสิบอย่างถ้าคุณละได้สามอย่างโห้สิบอย่างนี่รายะเอียดเยอะมากถ้าเราละได้สามอย่างคุณจะเป็นโสดาบันเจ้าค่ะถ้ามีราคาโทสะโมหะน้อยด้วยแล้วก็จะเป็นสกทาคามี ลัได้อีกสองอย่างรวมเป็นห้าอย่างเนี่ยก็จะเป็นอนาคามี้าค่ะแต่ละได้หมดเลยก็จะเป็นพระอาหารหันต์ได้อืมค่ะซึ่งเครื่องรายละตรงเนี้ยเป็นผลของการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเค่ะถ้าคุณศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาคุณจะสามารถละเครื่องรอยละนี้ได้ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือจะกลับมาเกิดน้อยลง จค่ะจานวนชาติในการเกิดก็จะลดลงลดลงความทุกข์ของเราก็จะลดลงลดลงอัญหาในชีวิตของเราจะลดลงลดลงจะมีความสุขมากขึ้นสบายใจขึ้นเวลามีเหตุการณ์อะไรเราก็ตั้งมันอยู่ได้คือมีจิตเข้มแข็งที่จะรับเหตุการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะจคะจนกระทัง่งถึงพระอรหันต์ก็คื อ, อ ไปถึงพระนิพพานเนี่ยเชคะอย่างที่เรามีคำอธิษฐานเวลาว่าเราถวายคองหรือว่าทำบุญอะไรต่างๆกับพระผู้ทรงเนียก็มาจะบอกว่าด้วยบุญกุศล น, นี้ก็ขอให้เราเนี่ยถึงพระนิพพานใน ในปัจจุบันและอนาคตการเวืงานโน้นเถื่อนนะเจ้าคะโยมจําได้อย่างนี้ก็คือว่าเราหมั่นเพียรปฏิบัติแล้วก็ยึดมั่งไงคำพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือแล้วก็ยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งของจิตใจนะเจ้าคะก็จะทําให้เรานั้นน่ะเป็นคนมีศีลมีธรรมแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอย่างนิดหนึ่งตรงนี้ว่าอย่างสมมติถ้าเราพึ่งพระพุทพระธรพระสงค์นะเจ้าค่ะพระพุทธบอกว่า พระพุทธบอกว่าให้พึ่งพระธรรมใช่ไหมพระสงฆ์ก็ปฏิบัติพระธรรมพระธรรมบอกให้พึ่งตนเจ้ใช่ไหมพระธรรมบอกว่าพึ่งตนพึ่งธรรมเพราะเราต้องพึ่งตนในการที่เราจะปฏิบัติคืออยู่ที่ตัวเราใช่ต้องประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองนะเจ้าค่ะแล้วก็ให้มีกําลังใจนะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่หนทางก็ยังมีอยู่เราทำได้แน่อย่่าาง้คะก็ขอให้มั่นใจนะเจ้าค่่ะใชเจ้าค่ะ แล้วก็ในกรณีของคำถามถ้าท่านผู้ฟังยังไม่เข้าใจมีประเด็นมุมไหนก็ให้ไปที่เพียวธรรมะได้เพียวธรรมะคอมนะก็ส่งคำถามไปได้เสมอเลยพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนท่านก็รับแล้วก็เปิดเว็บไซต์ทุกวันที่จะมีคำถาม อะไรที่ค้องใจนะคะหรือว่าจะเขียนจุดหมายมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมารัปรรุณ น, นะคะถนนวิภาวดีรงังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครหนึ่งศูนย์สีู่นศูนย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ท่าผู้ฟังคะเอ่อวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะคงจะต้องนำท่านผู้ฟังกราบนงัศกาลาอ่าพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนสิทิเอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโทภาโศหรือท่านพระครูสิทธิพาปภกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอําเภอนองหารจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้เราจะกราบมาพบกนันใหม่ โดยการสนทนาธรรมหรือสากัชาในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้มากราบนมัสการลาพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะติดตามรับฟังรายการธรรมะรับปรุณได้ใหม่ในวันพุ่นี้เวลา5้านาิกาถึง5นาฬิกานาทีททางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สำหรันสวัสดีครับ